ติกะนิเทศปกินกะติกะอชัตติกะอุ ป, ป า, าธาทิติกะ744รูปที่เป็นภายในเป็นอุ ป, ปาทายรูปนั้นเป็นไฉไหนจักขายตะตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นอุ ป, ปาทายรูป745รูปที่เป็นภายนอกเป็นอุ ป, ปาทายรูปนั้นเป็นไฉไหน รูปลายตนะกบาลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูป7จ็ร้อยรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไนโพธพายตนะและอาโปธารูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูปอัจฉติกะอุปาทินนติกะเจรเจรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไน จักขายัตนะกายายัตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ748รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่ก ร, รมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นฉนะอิทธินีปุริสินรียและชีวิตินรีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายัตนะคันธายตนะรัายัตนะโพธพายัตนะาตนะอากาศสธา อาโปธาตุปัจจะยรูปสันตติรูปและกะวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือ749รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไฉนะสัทธายตนะกายวิน ญ, ญัติวจีวิญญัติ ระหูตารูปมุทุตารูปกามัญญตารูปชรตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปาธาตุอุปัจจะรูปสันตติรูปและกัวลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิ ไม่ยึดถืออัจติกะอุปาทินุปาทานิยติกะ750รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรมันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถื อ, ถอและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นชไหนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากรรมันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เจ็รอห้าบเอ็ดรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานั้นเป็นฉนะัยอิทธินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรัายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้น รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน752รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรร ม, มันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นฉไนะสัทธายตนะกายวินยัตปจีวินยัตและหุตารูปมุทุตารูปกรรมัญญารูปชรตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม้อื่น มีอยู่ได้แก่รู ป, ปายตนะคันทายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศาธาตุอาโปาธาตุอุปัจจะยรูปสัน ต, ติรูปและกบาลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานอัจฉติกะอนิทัศนติกะ 753รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนิกขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้754รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเห็นได้755 รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉไหนสัทธายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้อัจชติกะสัพติฆติกะ756รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉหนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากระทบได้ เจดร้อยห้าสิบรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไนรูปปายตนะโพธพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากระทบได้เจ8ดร้อยห้าสิบแปดรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้เนเป็นไนอิทธ <c oughs> ินศีกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อจัตติกอินทริยติกะ7 5็ รูปที่เป็นภายในเป็นอินทรียรูปนั้นเป็นไนจากขุนศกายินรีรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นอินทรียรูป760รอรูปที่เป็นภายนอกเป็นอินทรียรูปนั้นเป็นไนอิตินรีปุริศินรีและชีวิตินรีรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอินทรียรูป761รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอินทรียรูปนั้นเป็นไน รูปายตนะกวาลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรีย์รูปอัจัติกะณมหาภูตติกะเจ็รูปที่เป็นภายในไม่เป็นมหาภูติรูปนั้นเป็นฉไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปเจ็รูปที่เป็นภายนอกเป็นมหาภูติรูปนั้นเป็นฉไน โพธพายตนะละอาโปธาครูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป764ร้อยรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นฉไนรูปายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปอจติกะนวินยติกะเจรูปที่เป็นภายในไม่เป็นวินยติรูปนั้นเป็นฉไน จักขายัตนะกายายัตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นวิญญยตติรูป7 6 6รูปที่เป็นภายนอกเป็นวิญยตติรูปนั้นเป็นฉไนกายวิญัติและวจีวิญยตรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นวิญยตติรูป767รรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวิญัตติรูปนั้นเป็นฉไนรูปายัตนะกัวริงการาหาร รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นวิญญัติรูปอัจฉติกณะจิตตะสมุทฐานติกะเจ็รูปที่เป็นภายในไม่มีจิตเป็นสมุทฐานนั้นเป็นฉไนจะขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเจ็รูปที่เป็นภายนอกมีจิตเป็นสมุทฐานนั้นเป็นฉไนกายวิญัติและว่าจีวิญัติ หรือแม้รูปอื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะสัตทายตนะคันทายตนะรษ า, ายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุละหุตารูปมุตุตารูปกรร ม, มัญญตารูปปุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารที่เกิดจากจิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุทฐานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุทฐาน 770รูปที่เป็นภายนอกไม่มีจิตเป็นสมุทฐานนั้นเป็นไฉนะอิทธินีปุริสินีชีวิตินีชาตตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะรัสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตารูปมุทุตารูปกรมัญตารูปอุปัจจยรูปสัน ต, ติรูป และกะวลิงการาหานที่ไม่เกิดจากจิตไม่มีจิตเป็นเหตุไม่มีจิ ต, เ ป, เ, ต, จตเป็นสมุทฐานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอัชติกะนจิตตะสหภูติกะเจ็รรูปที่เป็นภายในไม่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต772 รูปที่เป็นภายนอกเกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉไรกายวินยตประจีวินยตรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื <arently. S 1> <น>่อว่าเกิดพร้อมกับจิตเจ3รเจสรูปที่เป็นภายนอกไม่เกิดพร้อมกับ จ, ตจิตนั้นเป็นไฉรูปปายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิตอจัตติกะนะจิตตานุปริวัติติกะ 7จ็รูปที่เป็นภายในไม่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิต7จ็รูปที่เป็นภายนอกเป็นไปตามจิตนั้นเป็นไนกายวิญญัตและวจีวิญยัติรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิต776รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไน รูปายตนะกวะลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตอจชติกะโอราริกะติกะ777รูปที่เป็นภายในเป็นรูปหยาบนั้นเป็นฉไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ778รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไนรูปายตนะโพธพายตนะ รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ779รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉไหนอิทธินีกวบาลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอชัตติกะสันติเกติกะ780รูปที่เป็นภายในเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้ 781รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉอิทธินีกาวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล 78.2 รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉรูปายตนะโพธพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้ปกินกติกะจบวัตถุติกะพาหิระจักขุสัมผัส ศาสนวัตถ oh. ุติกะ783รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นชะไหนรูปายตนะกวาลิงการาหารรูปที <Yeah. S 1> ่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสเจ็รูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นชไหนจักขายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส 785. รูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่ USE, อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นฉไนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุูสัมผัสพาหิระจักขุูสัมผัสสชาเวทานายณวัตถุติกะ 786. รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไนรูปายตนะกวาลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ787รูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไนจักขายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ เ8็รรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นฉไนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณพาหิระโสตสัมผั ส, สศัสนวัตุติกาธิติกะ เจ็รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นไนรูปายตระนกวลริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส790รูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสนั้นเป็นไน กายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสเจ็ดร้าอรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะชิวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสพาหิระกายสัมผัสสชาเวทนายนวัตุติกาทิติกะ เจ็รรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณ น, นั้นเป็นไนรูปายตนะกาบลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณเจ็รรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ น, นั้นเป็นไน กายายตนะรูปท <7 94, S 1> ี่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ794รูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉไหนจักหายตนะชีวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณวัตถติกะจบอารามานติกะอัจฉติกะจักขุสัมผัสศาสนารามานติกะ 795. รูปท er ี่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของจักขุูสัมผัสนั้นเป็นชะไหนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุูสัมผัส796ริรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักรุสัมผัสนั้นเป็นชะไหนรูปปายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุูสัมผัส 797รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นฉไนสัทธายตนะกัวริงการาหาน ร, รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารัมณติกาธิติกะ798รรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญานั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ 799. รูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไนรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ 800. รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไน สัทธายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณอัจฉติกะโสตะสัมผั ส, สศาสนารรมะติกาทิติกะ801รอรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของโสตะสัมผัสของคานณสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นฉไหนจักขายตนะกายายตนะ รูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัส8ปดรรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายสัมผัสนั้นเป็นฉไนโพธพายัตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายสัมผัส8 0ดรรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสนั้นเป็นฉไนรูปายตนะกวาริงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัส อจติกากายสัมผัสสชาเวทนายนา ร, รมณติกาทิติกะ8 0ดรรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉไห น, นจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณแปดรหูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉ น, น ทหตพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ806รรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณนั้นเป็นไนรูปลายต น, นกะกบาลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณอารมณติกะจบอายตนะติกะพาหิรณจักพาายตนะติกะ แรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นฉนัยรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขายตนะ8 0 0รรูปที่เป็นภายในเป็นจักขายตนะนั้นเป็นฉนจักสุใดเป็นปัสาทธรูปอาศัยมหาภูตรูปสนี้ชื่อว่าบ้านวางบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นจักขายตนะ แรูปท si on, on, on, ah on, ี nowadays, ่เป็นภายในไม่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไฉไหนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขายตนะพาหิระนโสตายตนะติกาธิติกะ810รรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นคานายตนะไม่เป็นชิวหายตนะไม่เป็นกายายตนะนั้นเป็นไฉหนรูปายตนะกาวลิงการาหัน รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายายตนะแปดรอยสิบเอ็ดรูปที่เป็นภายในเป็นกายายตนะนั้นเป็นไฉไนกายใดเป็นปัสสะธรูปอาศัยมหาภูตรูปสนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะ812รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายายตนะนั้นเป็นไฉไน จักขายตัตนะชิวหายัตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายายัตนะอัจฉริติกะนรูปายตนะติกะ813รูปที่เป็นภายในไม่เป็นบรูปายัตนะนั้นเป็นไฉนจักขายัตนะกายายัตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นบรูปายตนะแปดรูปที่เป็นภายนอกเป็นบรูปายัตนะนั้นเป็นไฉน รูปใดเป็น ส, freaked, além, argued, สีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่ารูปธาตุบ้างรูปที่เป็นภายนอกนี 82, ้ชื่อว่าเป็นบรูปายตนะแปดรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นบรูปายตนะนั้นเป็นฉไนสัตธายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นบรูปายตนะอจติกะนัสัตธายตนะติกาทิติกะ 816รูปที่เป็นภายในไม่เป็นศัตธายตนะไม่เป็นคันทายตนะไม่เป็นรษายตนะไม่เป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไนจักขายายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธพายตนะ817รูปที่เป็นภายนอกเป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไนปัทวีธาต์นี้ชื่อว่าโพธพธาตุบาง รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะแปดรรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไนะรูปายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธพายตนะอายตนะติกะจบทาตุติกะพาหิรณะจักขุทาตุติกะ 819รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุธาต์นั้นเป็นฉไหนรูปายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุูธาต์820รยี่สบรูปที่เป็นภายในเป็นจักขุธาต์นั้นเป็นฉไหนจักขายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นจักรุูธาต์ปรยอรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุธาต์นั้นเป็นฉไหน โสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุธาตุพาหิรณโสตธาตุติกาทิติกะ822รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตธาตุไม่เป็นคาราธาตุไม่เป็นชิวหาธาตุไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นฉไนรูปายตนะกบาลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุ แปดรูปที่เป็นภายในเป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉไรกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายธาตุแปดรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉไรจักขายตนะชิวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุอจฉติกะนรูปธาตุตติกะ 825รูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปปั ta ตนั้นเป็นฉไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปปั ta แปดร้อยยี่สรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปปั ta นั้นเป็นฉไนรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปปั ta แปดร้อยยี่สรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปปั ta นั้นเป็นฉไนสัทธายตนะกวริงการาหาร รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปพระธาตุอัจฉติกะนสัทธาตุติกาทิติกา8ปดร้ิรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธาธาตุไม่เป็นคันธาตุไม่เป็นรัศธาตุไม่เป็นโพธพธาตุนั้นเป็นไฉไนจกขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธพธาตุ 829รูปที่เป็นภายนอกเป็นโผพธพธาตุนั้นเป็นฉไนโพธพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นโพธพธาตุแปดรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโพธพธาตุนั้นเป็นฉไนรูปายตนะกบริิกาลาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธพธาตุทาตุติกะจบอินทริยติกะ พาระณจักขุณทริยติกะ8 31รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจกักขุนสีนั้นเป็นไนะรูปายตนะกวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นจกักขุนสีแปดรรูปที่เป็นภายในเป็นจกักขุนสีนั้นเป็นไนะจักสุใดเป็นภาษาธรูป อาศัยมหาภูตา ร, รูปสี่นี้ชื่อว่านี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสีแปดรรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไฉนะโสตายตนาะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุนสีพาหิรณโสตินตะริยติกาธิติกะ834 รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตินสีไม่เป็นคาณินรียไม่เป็นชิวหินสีไม่เป็นกายินรีนั้นเป็นฉไนรูปปายตนะกบวิริการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายินสีแปดร้ยสามสรูปที่เป็นภายในเป็นกายินสีนั้นเป็นฉไนกายใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสีนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายินรีย แปดรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายินทรียนั้นเป็นฉไนจักขายตนะชิวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายินรียอัจชรติกะนะอิทธิ์ถิริยติกะ837รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอิทธิ์ถรียนั้นเป็นฉไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทธิ์ถรีย์ 838รูปที่เป็นภายนอกเป็นอิทถินรียนั้นเป็นไฉนิสวดรงหญิงเครื่องหมายประจำเพศหญิงกิริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอิทถินีรีอยสามสรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอิทถินรีนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวาลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทถินรี์ อัจฉิกณปุริสินทริยติกะ840รูปที่เป็นภายในไม่เป็นปุริสินสีนั้นเป็นฉไนะจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุริสินสี่แ1รูปที่เป็นภายนอกเป็นปุริสินสีนั้นเป็นฉไนะนสวดทรงชายเครื่องหมายประจำเพศ ช, ชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษ รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นปุริสินสีแยสี่สิรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นปุริสินสีนั้นเป็นฉไนรูปปายยตนะกวริงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุริสินสีอัจชติกันะชีวิตินทริยติกะแปดรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชีวิตินสีนั้นเป็นฉไนจะขายยตนะกายยตนะ รูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นชีวิตินทรียส4 4 4รูปที่เป็นภายนอกเป็นชีวิตินทรีนั้นเป็นไนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีแห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินทรียสี รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชีวิตินทรียีนั้นเป็นไนรูปปายตนะกวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชืช่อว่าไม่เป็นชีวิตินทรียีอินทริยติกะจบสุขุมรูปติกะอัจฉริติกะนกายวินยตติติกะ846รูปที่เป็นภายใ น, ไ, ang, ในยใไม่เป็นกายวินยัตนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะ รูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายวิญญาตแปดริรูปที่เป็นภายนอกเป็นกายวิญญาตนั้นเป็นฉไหนความเข้มแข็งกิริยาที่เข้มแข็งด้วยดีภาวะที่เข้มแข็งด้วยดีการแสดงให้รู้ความหมายกิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายแห่งกายของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลมีจิตเป็นอัพญากฤตก้าวไปอยู่ ถอยกลับอยู่แลดูอยู่เหลียวดูอยู่คูเข้าอยู่หรือเหยียดออกอยู่รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นกายวิญญัตริ8 4 8รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกายวิญญัตินั้นเป็นไฉไรรู ป, ปายตนะกวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายวิญญัติอชติกานะวัจีวิญยัตติติกะ 8ปดรูปที่เป็นภายในไม่เป็นวจีวิญญตณนั้นเป็นฉไนจกขายะตนะกายะยะตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญญาณแปดรรูปที่เป็นภายนอกเป็นวจีวิญญัตินั้นเป็นฉไนการพูดการเปล่งวาจาการเจรจาการกล่าวการเป่าร้องการโฆษณาวาจาวจีเพศของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศล หรือมีจิตเป็นอัพยกริจนี้เรียกว่าวาจาการแสดงให้รู้ความหมายกริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจานั้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นวจีวิญญัตแปดริรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวจีวิญญัตนั้นเป็นฉไนรูปายตนะกาวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญญาต อจัตติกนะอากาศสธาติกะ8ปดรห้รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอากาศสธาตินั้นเป็นไฉไรจากขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื På ่อว่าเป็นอากาศธาติแปดรห้รูปที Often ่เป็นภายนอกเป็นอากาศสธาตินั้นเป็นไฉไรอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่าง ธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูต ร, รูปสี่ถูกต้องไม่ได้รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอากาศสธาติแปรรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอากาศสธาตินั้นเป็นฉนะัยรูปปายตนะกาวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอากาศสธาติอัจฉริติกนะอาโปธาตุติกะ 855รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอาโปธาตนั้นเป็นชนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาต856รูปที่เป็นภายนอกเป็นอาโปธาตนั้นเป็นชนความเออบาบธรรมชาติที่เออบาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาต 8ปดรรูป <roffen> ที่เป็นภายนอกไม่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนรูปายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาตุอจจติกนรูปัสละหุตาติกะ8ปดรรูปที่เป็นภายในไม่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นละหุตารูป 859รูปที่เป็นภายนอกเป็นละหุตารูปนั้นเป็นฉะไหนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นละหุตารูป860รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นฉะไหนรูปายตนะกวบลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นละหุตารูป อจ ต, ติกะณ์รูปัสมุตุตาติกะ861รูปที่เป็นภายในไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นฉไหนจากขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูป8 6ดรรูปที่เป็นภายนอกเป็นมุทุตารูปนั้นเป็นฉไหนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูป 863. รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมุตตารูปนั้นเป็นฉไหนรูปายตนะกบริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุตตารูปอจัตติกนะรูปัสกรรมัญญาติกะ 864. รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกรรมัญญตารูปนั้นเป็นฉไหนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกรรมัญญตารูป แปดรูปที่เป็นภายนอกเป็นกรรมัญญตารูปนั้นเป็นไฉไรความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นกรรมัญญตารูป866รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกรรมัญญตารูปนั้นเป็นไฉไรรูปายตนะกาวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกรรมัญญตารูป อจชติกะณะรูปัสอุปัจจยติกะ867รรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอุปัจจะยรูปนั้นเป็นฉไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปัจจะยรูป868รูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปัจจะยรูปนั้นเป็นฉไนความแรกเกิดแห่งอายตนะเป็นความเจริญแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอุปัจจะยรูป 869. รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปัจจะยรูปนั้นเป็นฉไนรูปายตนะกวาลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปัจจะยรูปอัจฉติกนะรูปัสสันตติติกะ 8.70 รรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสันติรูปนั้นเป็นฉไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันติรูป แปดร้อจ็ดิอรูปที่เป็นภายนอกเป็นสันตติรูปนั้นเป็นไฉไรความเจริญแห่งรูปเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูป8ปดร้อเจ็ิบสองรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไฉไรรูปายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูปอัจัติกะนรูปัสชรตาติกะ แปดรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นชไหนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูปแรูปที่เป็นภายนอกเป็นชรตารูปนั้นเป็นชไหนความชราความคร่ำคราความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความหง่อมแห่งอินตรีของรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ ชื่อว่าเป็นชรตารูป8ปดรเจรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไนรู ป, ปายตนะกวาลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูปอัจติกนรู ป, ปัสสะอนิจจตาติกะ876รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไน จะขายัตนะกายายัตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจารูป877ร้รูปที่เป็นภายนอกเป็นอนิจจารูปนั้นเป็นไฉไรความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยงความหายไปแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจารูป8 7ดร้รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอนิจจารูปนั้นเป็นไฉไร รูปายตนะกวลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจารูปอจัตติกะนักวลิงการาหารติกะ879ร้็รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกวลิงการานั้นเป็นไฉจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื ina, ่อว่าไม่เป็นกวลิงการาหาร ปดรสิบรูปที่เป็นภายนอกเป็นกวริงการาหารนั้นเป็นฉไนะเข้าสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดนมส้มเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆดารงชีพอยู่ได้รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นกวริงการาหาร แปดรอดรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกวริงการาหานั้นเป็นฉะไหนรูปปายตนะอนิจจตารูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกววริงการาหารันสุขุมะรูปติกะจบรวมรูปหมวดละสามอย่างนี้ติกานิทเทศจบ